ข้าพเจ้าพระมหาภัยบุญอภิปุโนนำสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังมาให้ฟังแล้วก็ทําสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความเจ่มแจ้งถึงที่สุดความเจ่มแจ้งถึงที่สุดที่ข้าพเจ้าพยายามจะกระทําให้เกิดขึ้นนี้ทาำฟังก็ใสพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ไขไว้ให้เปิดไว้ให้แสดงไว้ให้ มันอยติแจกแจงแต่งตั้งคลีออกคลายออกและพยายามจะให้สาวกต่างๆมีความเข้าใจก็นาข้อความต่างๆเหล่านั้นแหละมาบอกผ่านแต่มูฟังฟังไม่ว่าจะฟังอยู่ตามท้องทุ่งที่นาในสวนระหว่างการเดินทางในหมู่บ้านเมืองหลวงชนบทใดชนบทหนึ่งฟังเวลาฟังผ่านทางหูใจนี่แหละ ที่จะเข้าไปรับรู้ใจของเราไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนถ้าเรามีศรัทธาในการฟังธรรมะจิตใจนั้นจะชุ่มเย็นได้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเด็กหรือผู้ใหญ่แต่มีความมั่นใจมีความลงใจในคำสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจิตใจนั้นก็เหมือนกับถูกโลมอยู่ด้วยธรรมะมีใจที่เย็นที่สบายข้าพเจ้าก็จะนา พระสูตรเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ท่านบุฟังฟังเป็นเรื่องราวพระสูตรนั้นบ้างพระสูตรนี้บ้างเราก็จะมาอธิบายนําเรื่องราวต่างๆที่เป็นพุทธพจน์นั้นมาอธิบายให้มีความจำแจ้งที่ครับเจ้าคิดว่าจะต้องมีสักวันหนึ่งใน7วันที่ให้ท่านบุฟังได้ฟังสํานวนถ้อยคําและที่เป็นพุทธพจน์เองจริงๆเนี่ย เพื่อให้เกิดการศึกษาที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดการเข้าถึงทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าสิ่งที่พระพุเจ้าอธิบายหรือใครก็ตามที่เขาอธิบายอาจจะเป็นการวาดจะเป็นพระสงฆ์หรือว่าจะเป็นคนที่เขาอาจจะเคยฟังต่อๆกันมาอีกทีหนึ่งเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งที่เป็นในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ต้องมาจากพุทธพจน์ต้องมาจากสิ่งที่ พระพุาได้เคยตรัสไว้เพรา ะ, ะนั้นจึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่เราจะต้องเข้าไปหาต้นต่อเดิมตัวแม่บทเดิมตัวรากเดิมเหมนที่พระพุาได้แสดงเอาไว้ตรงนั้นจึงเป็นเรื่องสําคัญหรืออย่าไปคิดว่าโอ้ตรงนี้แหมฟังไม่เข้าใจเลยสัมมวลยังไงก็ไม่รู้แต่ก็ขอให้ฟังแต่บางฟังบางคนนี่ใน7วันเนี่ยฟัง6วันเว้นวันบุญเลือดเอาไว้ แม่มันมันไม่ควรจะต้องเป็นอย่างนั้นนะฟังมา6วันแล้ววันที่7ดดันเว้นเอาไว้นั่นยังเป็นพุทธวจุดด้วยซ้ำนะทราบข่าวมาว่ามีท่านผู้ฟังบางคนที่เป็นอย่างนี้แล้วก็ขอให้ฟังเถอะนะฟังยังไงเข้าใจไม่เข้าใจฟังไว้ก่อนเพราะไม่ใช่ว่าในทั้งหมด30มสินาทีที่ฟังเนี่ยมันจะไม่เข้าใจทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมันไม่ใช่อย่างนั้นมันก็จะมีส่วนบางส่วนที่เราเข้าใจบ้างส่วนบางส่วนที่เราไม่เข้าใจบ้าง ก็จะมีเพราะฉะนั้นส่วนที่เราไม่เข้าใจเราก็ค่อยมาฟังวันสุกเพิ่มเติมส่วนที่เราเข้าใจเราก็เข้าใจไปเลยแต่มันก็จะเป็นการดีเราจะกลับมาที่ตัวแม่บทตัวบทพยัญชนะที่พระเจ้าตรัสเอาไว้เนี่ยได้ข้าพเจ้าเองอ่านมามาอธิบายท่านบูฟังฟังเนี่ยก็จากตรงนี้จากตรงจุดที่เรียกว่าอ่านตรงพุทธพจน์มาตรงนี้อ่านแล้วก็มาแบ่งให้ท่านบูฟังฟังด้วยอันนี้เป็นหน้าที่ของพระสองฆ์อยู่แล้ว ให้ฟังสิ่งที่ยไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทําสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความ จ, จําแนงถึงที่สุดเดีเรื่องราวที่เอามาเล่าให้ท่านผู้ฟังนเมื่อวานนี้ที่อ่านให้ฟังนี่เป็นประสิลด์ที่มาในมัชชิมาณิกายในเล่มที่14บส่แล้วก็ที่673ชื่อประสิลด์ก็คือทาตุวิพังคสูตรแต่เป็นเรื่องที่พระเจ้าอธิบายเรื่องเกี่ยวกับธาตุเอาไว้แต่ว่าธาตุมีอะไรบ้าง6อย่างเป็นยังไงควรทําความเข้าใจยังไง อธิบายเรื่องนี้เอาไวา้ครับชาติคิดว่าละเอียดแล้วนะแต่บุช้าบอกว่าก็อธิบายโดยย่อๆอธิบายให้เกิดความเข้าใจได้อธิบายกับใครนะให้กับภิกษุรูปหนึ่งชื่อปุกุสาติแต่คำว่าภิกษุนั้นก็คือหมายถึงเป็นลักษณะของสมณะเป็นลักษณะของผู้ที่หลีกออกจากเรือนแล้วแต่ว่าปุกุสาติในจริงๆแล้วยังไม่ได้บวช ด, ด้วยซ้า ยังไม่ได้บวชแบบมีอุปชามีบริการครบถ้วนยังไม่ได้บวชแบบนั้นแต่ว่าออกจากเรือนแล้วออกจากเรือนเนี่กับปรารบพระพุทธเจ้าด้วยแต่ยังไม่เจออุปชายังไม่เจอพระพระุทธเจ้ายังไม่ได้มีบริการอะไรต่างๆเรียบร้อยแต่แต่ออกบวชนี่ก็เลยมีการบรนประชาก็เอาผ้ามาห่มเลยตัดผมกวนผมก็เหมือนอย่างที่พระพระุทธเจ้าตอนเราเป็นตอนเป็นโพธิสัตว์อยู่ได้กระทํา แต่ขี่ม้าออกเป็นยานบาลนะเสร็จแล้วมาอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ําก็ตัดผมเอาผ้าอะไรมาหม่หมๆสละกเครื่องทรงที่เป็นพระราชาออกลักษณะนั้นนับปุกุษาติก็บวชแบบนี้ก่อนแต่ก่อนที่จะมาเจอพระราชาเอาทําไมบวชแบบนี้ละ่ะแล้วก่อนหน้านั้นเป็นอะไรเรื่องราวตรงนี้ทำฝั่งโอ้โหเขาอธิบายไว้พิสดารมากแตว่าจริงๆแล้วนับปุกุษาติเนี่ยเป็นพระราชามาก่อนแต่เป็นพระราชาอยู่ที่เมือง ตกากศิลาเอา้าแล้วออกบวชได้ยังไงเรื่องราวตรงนี้มาเป็นยังไงแล้วก็เท้าความมาตั้งแต่ตอนที่พระเจ้าพิมพิสารแต่พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเป็นราชาแห่งแคว้นมคธซึ่งตรงนั้นก็คือเขาเรียกว่าเป็นมัชิมประเทศนั่นคือเหมือนกับภาคกลางเป็นเหมือนกับบริเวณที่มีความเจริญอยู่เป็นภาคกลางตรงกลางแต่ส่วนเมืองตากาซีลานั้นก็เป็นชนบทไปเปรียบเทียบแล้วก็คงจะเหมือนกับ เหมือน ก, กรุงเทพเป็นเมืองหลวงก็เรียกว่าเป็นมชิมัประเทศอยู่ทางภาคกลางแต่หัวเมืองทางอื่นๆ น, นอกนี้เช่นพิษณุโลกเชียงใหม่โกราชหรือว่านครศรีธรรมราชพวกนี้ก็จะเป็นลักษณะหัวเมืองที่ห่างๆออกไปเขาก็เรียกว่าปัจจันตะชนบทซึ่งนครตะกศิีรานะก็เป็นลักษณะนั้นเป็นอยู่หัวเมืองที่ห่างๆออกไปจากเมืองราชคฤึกแต่ซึ่งเมืองราชครึกก็เป็น เมืองหลวงของแควนมคตตรงนั้นพระเจ้าพิมพิสารขึ้นกรองราชแล้วหลังก็พยายามจะปกครองบริหารบ้านเมืองให้ให้ดีแต่มีครั้งหนึ่งก็ได้พบเห็นพ่อค้าที่เอาสินค้ามาจากเมืองตากสิลานมาค้าขายแต่พ่อค้าเขาเอาสินค้ามาค้าขายแล้วเขาต้องจ่ายภาษีละ่ละลจ่ายภาษีเอาไปให้พระราชานำเครื่องบรรญัาการไปให้พระราชาแต่พระราชาคือพระเจ้าพิมพิสารแห่งแควนมคตเนี่ย อยู่ที่เมืองราชกฤตได้รับเครื่องบรรณาการต่างๆแล้วก็ถามความเป็นมาเป็นไปของพวกพคานี้เข้ามาจากที่ไหนอะไรต่างๆยังไงแล้วก็เลยทราบความว่ามาจากนครตกรากศิลาได้เป็นหัวเมืองที่อยู่อีกทิศหนึ่งไปแล้วก็ทราบความที่นครตกรากศิลานี่มีพระราชาพระราชาแห่งนครตากศิลานั้นก็คือพระเจ้าปุกกุสาติน่ะท่นานฝัง ปูกุะสาติกลบุตรที่ได้มาฟังธรรมของบระเพ็เจ้าในโรงของช่างปั้นหม้อเป็นพระราชามาก่อนเป็นพระราชาของนครตกากศิลาซึ่งอยู่ไกลออกไปเป็นร้อยโยน์ระยะทางที่เขาอธิบายไว้ที่นี้ก็คือหนึ่งรยชนโย์โยดหนึ่งก็16บกกิโลเมตรรวมกันก็ประมาณ3 0 0พันกว่ากิโล แ, ลแต่แปลงหน่วยเป็นกิโลเมตรสามพันกว่ากิโลนี่ก็คงจะเป็นระยะทางจาก กรุงเทพไปสิงคโปร์หรือว่าจาการ์ตาในประเทศอินโดนีเซียหรือว่าไกลไปกว่านั้นอีกเพราะว่าเหนือสุดไปใต้สุดของเรานี่ก็ประมาณ 2,000 กิโลเมตรระยะทางตรงนี้ก็ประมาณ 3,000 กิโลเมตรที่ความไกลระหว่างเมืองราชกฤชไปที่นครตักศิลาแล้วถามว่าทำไมพระชาปุกุษาติแห่งนครตกศิลาเนี่ยถึงออกบวชได้ เรื่องราวที่เขาเล่าให้ฟังไปหนีตามฝั่ ง, งบอกว่าพระเจ้าพิมพิสารนั้นได้ทําความคุ้นเคยกับพวกพ่อค้าที่มาจากเมืองตากศิลาแล้วก็เลยอยากจะผูกมิตรกับพระเจ้าปุกสาติแห่งนครตากศิลานั้นก็เลยได้ส่งสารผ่านไปอย่างพ่อค้าเหล่านี้ได้ยกภาษีให้ทําการผูกมิตรเพราะว่าเห็นว่ามีอายุเท่ากันมีปฏิปทาคล้ายๆกันปกครองบ้านเมืองโดยธรรมก็เลย ผูกมิตรกันส่งบรรณัการอะไรต่างๆไปให้ฝ uh ่ายพระเจ้าส่งเครื่องราชบรรณาการอะไรต่างๆไปให้ฝ่ายพระเจ้าปุกกุศลติหลังจากที่พวกพ่อค้านี้นำสารมาแล้วแล้วก็ผูกเป็นมิตรกันึงทั้งๆที่ไม่เคยเห็นหน้ากันแต่ก็มีความรักใคร่กันแต่ส่งสารบ้างส่งเครื่องราชบรรณาการอะไรต่างๆไปบ้างและมีครั้งหนึ่งที่พระเจ้าปุกกุศลติเนี่ย ก็ส่งเครื่องราชบรรณาการไปเป็นของที่มีค่ามากเป็นผ้ากรรมพลที่หาค่าไม่ได้เลยลมีทั้งหมด5สีจำนวน8ผืนแต่เวลาส่งไปนี่ก็ไม่ได้ส่งไปธรรมดาทำผ้อบแข็งแรงใส่ก้อนครั่งงนำะพันด้วยผ้าขาวติดตรารันจกรแล้วก็ส่งไปแต่นะรพระพาตพิมพิสารก็ได้ได้รับเครื่องราชบรรณาการนั้นนะเรียกเหล่ามาาม า, มาแล้วก็มาเปิด ของขวัญ น, นี้ด้วยกันแล้วก็เบิออกก็เห็นเห็นผ้าที่บรรจุ อ, อพันพั์มาอย่างดีแล้วก็หาค่าไม่ได้เลยก็เลยคิดว่าจะต้องส่งมอบเครื่องราชบรรณาการอย่างอื่นที่เป็นการตอบแทนไปให้ของที่หาค่าไม่ได้เนี่ยจะส่งอะไรไปให้ดีในมีความคิดไว้อย่างนั้นต่ถจะจะพูดถึงเครื่องเพชรนินจินดานรัตตนะพวกเนี้ยอะไรที่มันจะหาค่าไม่ได้ รัตนคือพวกแก้วพวกมั น, นีหรือสิ่งของที่เป็นหินหรือแก้วที่มันหาค่าได้ยากแตตอนนั้นพระชาติมิิศาลเนี่ยก็เป็นพระโสดาบันละได้ฟังตามของพระชาติแล้วตอนนั้นมีพระชาติอุบัติขึ้นในโลกรพระพุทเจ้าตอนนั้นก็ประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีของพระเจ้าปอรเ์เซนที่โกศลทางตอนเหนือขึ้นไปก็ได้มาพิจารณาว่าเอ๊ะรัตนเนี่ยมี2ออย่างคือที่มีวิญ ญ, ญ, ญาณกับไม่มีวิญญาณ แต่คือที่เป็นสิ่งของหรือว่าเป็นมีจิตมีใจที่ไม่มีวิญ ญ, ญาณก็พวกเพชรนินจินดาที่มีวิญญาณก็เช่นพวกช้างแก้วม้าแก้วพวกนี้พวกรัตนะที่มีวิญญาณก็เช่นรัตนเจอื่นๆที่เป็นของพระเจ้าจักรพรรดินะ่ะนะช้างแก้วม้าแก้วนางแก้วหรือว่าขรรบดีแก้วพวกนี้แต่เป็นของที่มีชีวิตแล้วในรัตนะที่มีชีวิตเนี่ยก็เป็นเดรชานก็เป็นมนุษย์เดร ช, ชาญก็เช่นช้างแก้วม้าแก้ว ม น, น azzi, มนุษย์ก็ขราบดีแก้วหรือว่านางแก้วหรือว่าเสนาบดีแก้วพวกนี้ก็มีในมนุษย์น่ก็มีผ <Florida> ู้ชายกับผู้หญิงแต่ที่เป็นรัตนะที่เป็นชายกับเป็นหญิงเอ้อะไรจะประเสริฐกว่าดีกว่าแล้วก็คิดว่ารัตนะที่เป็นผู้ชายเนี่ยประเสริฐกว่าแล้วก็ลงมาเหลือแค่ขราบดีแก้วแต่กับเสนาบดีแก้วในรัตนะที่เป็นชายเนี่ยก็มีอีก2อย่างอีกแบ่งเอาไปอีก แว่าเป็นผู้ที่เป็นรัตนะที่ครองเรือนหรือว่าออกจากเรือนแล้วก็มีความคิดว่าโอรัตนะที่ออกจากเรือนเนี่ยไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนนี่ดีกว่าและซึ่งรัตนะที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนนนั้ก็จะมีอยู่2 อ, อย่างคือเป็นเสกขะหรือเป็นอาศะขะอันนี้คือหมายถึงเป็นพระสงฆ์นะนะออกจากเรือนบวชแล้วออกจากเรือนบวชที่บรรลุก็มียังไม่บรรลุก็มีบุ้งง่ายๆที่บรรลุขั้นต้นกับบรรลุขั้นสูงบางนั้น เน่บรรลุขั้นต้นก็เป็นเสค่ะบรรลุขั้นสูงก็เป็นอาเซค่ะในในความที่เป็นอาเสค่ะเนี่ยก็เป็นพุทธะก็มีกับเป็นสาวกก็มีเนะี่พุทธะก็ประเสริฐกว่าในะความเป็นพุทธะนี่ก็ยังแบ่งเป็นปัจเจกพุทธะหรือว่าสัมมาสัมพุท ธ, ธนะในคิดตรงนี้เนะี่ยเพื่อที่จะหาของที่มันเลิศมันประเสริฐหาค่าไม่ได้ก็จึงคิดถึงรัตนะตรงนี้แหละคือพุท ธ, ธรัตนะนะ่ยที่เป็นชนิดสัมมาสัมพุทธะ แต่ขึ้นชื่อว่าแก้วหรือว่าของที่มีค่าหาค่าไม่ได้เลยเนี่ยที่จะเสมอด้วยพุทธรัตนเนี่ยไม่มีเราก็จึงจะต้องการจะส่งรัตน์คืออันเนี้ยไปโดยพูดถึงรัตน์สามอย่างคือพุทธธรรมสังฆะนั่นก็คือแก้วสามประการแล้วก็เลยถามพวกพ่อค้าชาวตะกัศิลาเนี่ยว่าที่เมืองของท่านมีสิ่งนี้ไหมมีรัตน์สามไหมในที่เมืองนั้นตอนนั้นนะพะเจ้าก็ เพิ่งประกาศศาสนานะออกจากเมืองราชคฤึป่ไปแล้วก็ช่วง 3- าสี่ปีแรกทัง้งวังในช่วงที่ยังเป็นแรกแรกของการที่มีสัมมาสังขารปรากฏขึ้นนะเขาก็บอกให้ฟังว่าที่เมืองตากศิลาเนี่ยยังไม่ได้เคยได้ยินคําว่าพุทธธรรมสังฆาด้วยซ้ําำจะพูดถึงอะไรถึงการเห็นนะไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินด้วยซ้ําแล้วก็ดีละถ้างั้นจะส่งราชบรรณาการแบบนี้ไปและการที่คิดว่าจะนิมนต์พระพุทาหรือว่า พระสาบกต่างๆไปเนี่ยเพิ่อเหมือนกับเป็นรัตนส่งเป็นเครื่องบรรณาการไปเนี่ยก็ไม่ใช่วิสัยที่สมณนะจะกกล่าเพราะว่าพระสงฆ์เนี่ยเขาไม่รับทําหน้าที่เป็นทูตให้พระราชาเพราะนั้นการที่จะส่งไปอย่างนั้นก็ไม่ขวรพระราชาเนี่ยก็จึงส่งก็เรียกว่าเป็นศารที่ในนั้นบรรจุ ข, ข้อความเรื่องราวของการอุบัติขึ้นของรัตนสามนี่แหละเขียนเอาไว้นั้นลงบนแผ่นทองคํานั้นลงบนแผ่นทองคํา เล่าเรื่องราวของการที่ผูเช้าอุบัติขึ้นมีบารมีสิบทัศแสดงธรรมงดงามเบื้องต้นท้ำกลางที่สุดตรัสรูโ้โพธิปัจกิยธรรม37มีสติปัฏฐานสี่ต่างๆเป็นต้นมีธรรมะอธิบายเรื่องธรรมะนะแล้วก็อธิบายเรื่องสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นกู้แห่งบุรุรสี่กู้นับเรียงตัวได้แปดบุตรอธิบายเรื่องของพุทธธรรมะสังฆะเอาไว้ในแผ่นตองกรรนี้ ห่อไวอย่างดีโหเรื่องของการทําให้มันอลังการในตำฟังในตำฟังไปตามอ่านเรื่องราวตรงนี้ซึ่งอยู่ในคมปีอัตกะาที่ท่านอธิบายเอาไว้นะแม้มันอลังการพิสดารมากเลยว่าเขาทํากันอย่างประณีตมากส่งไปแล้วมีราชรถนําไปจนถึงสุดเขตแดนของแคว้นมคตนักกาชับนักกาชับหนาว่าอย่าอ่านในที่ท่ามกลางที่ประชุมให้อ่านอยู่คนเดียวารายละเอียดตรงนี้มีมาก แล้วก็เวลาอ่านเนี่ยให้อ่านในวันอุโบสถอะไรต่างๆนันะคือเขียนธรรมะไปให้ว่างไั้ตนะธรรมะที่จะอธิบายเรื่องของพระพุทธเจ้าพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์ให้ฟังในสารแห่งนี้เปรียบเสมือนกับส่งรนะัตนแก้วสารประการที่หาค่าไม่ได้นี่ไปให้เพื่อนกันนั่นะคือพระเจ้าบุคุสติแต่พระเจ้าบุคุสติก็เปิดออกอ่านตัวนี้ โดยความที่ประชจ้าปุกุสาติเปิดเครื่องราชบรรณการนี่กว่าจะเข้าไปถึงแผ่นทองคำเนี่ยมันก็หลายชั้นนะหอด้วยหยิบเงินบ้างหีบทองบ้างหยิบไม้แล้วก็หอลงไปหอลงไปงจนกระทั่งถึงเปิดแผ่นทองคําในี่ท่านวังของคิดดูนะหอกันหลายชั้นมากมีความเลือล่อนหรูอลังการมากนั่นหมกว่าจะถึงข้างในมันต้องมีค่ามากล่ะพอเปิดออกมาดูน่นะเป็นแผ่นทองคําที่มีอักษรจารึกอยู่ แผ่นทองคำที่มีอักษรจารึกนี้ก็มีตัวหนังสืออักษรที่มีหัวเสมอกันเป็นระเบียบเรียบร้อยเขียนไว้จรดทั้งสี่มุมกั้นหน้ากั้นหลังพอดีมีย่อหน้าอะไรต่างๆเรียบร้อยนะแม่ก็พอใจล่ะแม่ข้อความนี้จะเป็นอะไรเนาะก็ อ, อ่านดูเนี่ยพอได้อ่านถึงจุดที่เป็นพุทธกุลทั้งหลายว่าพระตถาคตทรงอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้แ้ะเกิดปีติอย่างมากท่านมฟัง นะจนคนลุกสู้นะมีความปีติอย่างมากนะว่าพุทธะเกิดขึ้นแล้วนะอ่านไปจนถึงจุดที่ว่าเป็นพระธรรมนะว่ามีโพ ธ, ธิปัจจะธรรม37ได้พูดถึงเรื่องของอานาปานาสตนะิในสารของพระเจ้าปิมพิสานที่ส่งมาเนี่ยนะได้บอกข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไว้โอก็มีความปีติเกิดขึ้นมีความสบายใจมีความดีใจมากมากั้นนะอ่านจนถึงจุดที่เป็นสังฆ ค, คุณนะว่า สงสารวองพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีคนปฏิบัติตามแล้วก็มีได้เหมือนกันก็เกิดปีติอย่างมากขึ้นดังนั้นก็พูดถึงเรื่องของการทําสมาธิด้วยแต่ตัวของพระชาปุกุสาตินั้นก็ได้สมาธิด้วยแต่มีความสุขอยู่ในฌานแต่ปรากฏว่าเวลาผ่านไปตรงนี้แค่อ่านศารผ่านไป15บห้าวันคำว่างโช่วง15วันที่อ่านข้อมูลที่พระชาพิมพิสารส่งมาให้พูดถึงการที่มีรัตนสาม เนะ่ยคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะเราก็สั่งครัตนะแล้วเนี่ยก็เลยทําให้มีความคิดว่าจะบวชแล้วก็ออกบวชเลยโดยการที่เอามีดมาตัดผมเอาผ้าอะไรต่างๆมาหม่มสละราชสมบัติต่างๆออกบวชแล้วก็เดินทางเพื่อที่จะไปหาพระบรุทธเจาเนะื้เรื่องราวตรงนี้ก็มีความพิสดารอยู่พระพุทเจ้าคิดว่าท่านผู้ฟังเนี่ยควรจะไปตามหาอ่านกันแต่อยู่ในคำเพียร์ทักระถาที่พูดถึงความเป็นมาเป็นไปของพระภิกษุชื่อปุกุสาตินี้ แต่หลังจากออกบวชสละความเป็นพระราชาแล้วก็เดินทางเพื่อที่จะไปหาพระพุทธเจ้าในที่เมืองราชกรึกเราก็ห่างกันพอสมควรพยายามเดินทางไปให้ถึงแต่เดินทางแบบเป็นพระไปเนี่ยจำฟังเพื่อนก็เดินทางเท้าเปล่าไม่มีร่มไม่มีรองเท้าเดินทางไปะจนกระทั่งไปถึงเมืองราชกฤึกก็ทราบข้อมูลว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้อยู่ที่นั่นแต่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถี ทำไงเลตัวนี้ก็ต้องเดินต่อไปอีกจากเมืองราชคักรืไปเมืองสาวพทีเนี่ยก็ต้อง45โยชน์เอางั้นวันนี้เราพักที่นี่ก่อนก็เลยพักอยู่ที่โรงของช่างหม่อ น, นั่นเองแต่จึงเป็นที่เริ่มต้นของประสูตรนี้ว่าโรงของช่างหม้อที่พระภิกษุปุกกุสาติยังไม่ทันมีอุปชาด้วยซ้ํามีความสําร็จที่จะออกบวชก็เอาผ้ามงหมตัดผมเรียบร้อยแล้วก็จะเดินตามไปหาุระชาพักอยู่ที่โรงของช่างหม่อนท่านผูฟังลองคิดดู พระพุทธเจ้าอยู่ที่เมืองสาวัตถีในะ45โยชต์ห่างกันทราบแล้วว่าภิกษุปุกุสาติเนี่ยออกบวชปรารบด้วยความรู้ที่ว่ามีพุทธธรรมะและสังฆเกิดขึ้นแล้วแต่โดยที่ยังไม่ได้เห็นด้วยซ้ําแต่แค่ได้ยินเฉยๆต่อให้เห็นพระพุทธเจ้าตัวเป็นๆก็จะไม่รู้ว่ารูปนี้เป็นพระพุทธเจ้าหรือไม่แต่ว่าได้ยินกิตติศัพเพแค่นั้นเองแล้วนะก็ออกบวชยังไม่มีครูบาอาจารย์ใดๆบอกสอน นะแค่ได้อ่านสารของพระเจ้าพิมพิสารก็ออกบวชแต่พระเจ้าเนี่ยบำเพ็ญบารมีมาเสียสงไขแสนมากับก็เพื่อแสดงธรรมแต่พระทราบข้อมูลต่างเหล่านี้แล้วก็จะมาแสดงธรรมให้ปุกุสสาตินี้ฝังแล้วก็จึงด้วยความสามารถนะความสามารถของสามาธสมุท t ก็มาถึงที่เมืองราชเกลือละโดยที่ไม่ให้ไกลทราบแต่เนพะราะนั้นเรื่องรูปร่างหน้าตาผิวพรรณอะไรต่าง ที่ความพิเศษของสมาธิเช่นมีรัศมีบ้างมีลักษณะมหาบุตรสามชั้นประการบ้างต่างๆ่าล้วเนี่ยบางทีก็แฝงเอาไว้แต่ไม่ให้ใครรู้ไม่ให้ใครเห็นก็เลยมาถึงที่เรื่องของช่างหมแ้อก็ได้เข้าไปพักอยู่ด้วยกันแล้วภูสาติเดินทางมาไกลขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้บรรเทาความเหน็ดเหนื่อยด้วยการนอนแต่ก็ยังนั่งสมาธิด้วยข้อมูลที่ตัเองทราบถึงเรื่องของอนามานสติที่อยู่ในศารของ พระเจ้าพิมพิสารนั่นเองจำข้อมูลนี้เอาไว้่ร ะ, ะลึกถึงพระพุทธปรรมประสงค์นั่ก็ปราโรคความเพียรอยู่พระเจ้าอยู่ในโรงของนายช่างหม้อนั่นก็เดินทางมา45โยนเหมือนกันมาเพื่อที่จะพบพระปุกุสาตินี้แต่ก็ยังไม่แสดงธรรมเลยทีเดียวนต่เพราะว่าต้องการให้ปุกุสาตินี้บรรเทาความเหนื่อยซะก่อนแั่มีความคิดว่าอย่างนี้ตัวพระองค์เองก็นั่งสมาธิแล้วก็เห็นว่าปุกุสาตินี้ก็ยังนั่งสมาธินั่คือในนครราชเกลอเนี่ย เป็นนครที่แบบมีความมั่งคั่งมีคู่คนอยู่เยอะแยะแต่กว่าจะสงบกว่าจะเงียบลงเนี่ยก็เที่ยงคืนครึง่งแต่เลยสองยามไปแล้วนั้นก็เป็นการรอเวลาด้วยว่าให้มันเงียบเชียบซะหน่อยและจะแสดงธรรมให้ฟังแล้วก็เลยถามขึ้นนําปรารบขึ้นม่าอา้าวบวชเจาะจงใครและภิกษุสาติก็บอกบวชเจช้าจงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องราวก็เป็นอย่างที่เราได้ฟังมาในพระสูตรนาะตาตุวิปังคสูตร ซึ่งพรชาตรงนั้นก็ถามว่าเอ้าแล้วรู้ไหมพรชาอยู่ที่ไหนแต่บุกุษาตีก็ทราบเพียงแต่ว่าอยู่ที่สาวถีทางตอนเหนือของที่นี่ในทางตอนเหนือของเมืองราชกุลพรูชาก็ถามต่อว่าแล้วถ้าเห็นเนี่ยจะรู้ไหมว่าองค์นี้องค์นี้เป็นสมาสมพุท tha บุกุษาติก็ไม่ทราบล่ละพระรูชาก็จึงจะแสดงทําให้ฟังล่ะไหนไหนบวชเจาะจองเราแล้วก็จะแสดงทําให้ฟังแต่ก็จึง ได้พูดถึงเรื่องของทาตุวิปังคสูตรแต่ทาตุ ว, วิปังคสูตรนี่มีรายละเอียดที่น่าสนใจเต็มฟังแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าในพระสูตรนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องศีลไม่ได้พูดถึงเรื่องสมาธิเลยอยู่ๆก็เริ่มกันที่าการพิจารณาเห็นธาตุทั้ง6เลยนั่นคือดินน้ำไฟลมธาตุช่องว่าคืออากาศธาตุแล้วก็วิญญาณธาตุแต่ซึ่งตรงนี้เป็นการทำวิปัสสนาแล้วแต่ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าภิกสูตรปุกุชาติเนี่ยได้รับข้อความจากพระเจ้าปิมพิสาร ในนั้นบรรจุเรื่องของศีลมาแล้วแต่จุลศีลมะชิมศีลมหาศีลพระเจ้ า, ามีประษานเขียนไวให้อ่านพูดถึงเรื่องของอานาปานสติอยู่แล้วตพูดถึงเรื่องการทำสมาธิอยู่แล้วตัวท่านเอง่พระภุตุสาติเนี่ยอ่านข้อความนี้ก็มีปิติสุขเกิดขึ้นแต่ในคํำอธิบายนี้เขาบอกได้ฌานสีด้วยเพระเาะพุทธเจ้าไม่ต้องแสดงทำเรื่องของสมาธิเรื่องของศีลอะไรแล้วพูดถึงเรื่องของวิปัสนาเลยให้เข้าถึงผลที่จะเกิดขึ้นของการปฏิบัติเลยสามัญญผลเลย ก็เลยได้พูดถึงเรื่องของาธาตุทั้ง6ตรงนี้อธิบายให้ฟังนะพูดถึงเรื่องของปัิสัคือแดนเกิดหอย่างนะ่พูดถึงเรื่องของการที่เราควรจะตั้งไว้ในธรรมสอย่างซึ่งเป็นธรรมะที่เกี่ยวเนื่องกันข้าบเจ้าอ่านตรงข้อความตรงนี้แล้วเนี่ยแม่พระเจ้าอธิบายไว้ลึกซึ้งดีมากแต่ถนะ้าไม่เกิดความเข้าใจว่าจาคะคือการให้การบริจาคแง่มุมที่มันลึกซึ้งลงไปในการสละออกการนำออกเรื่องของกิเลสนะ่ยนี่คือจาคะที่ ผู้เรียหมายถึงความลึกซึ้งของใบใจจาค่าตรงนี้่นะอุปสมะคือความสงบตรงนี้ก็หมายถึงนิพพานหมายถึงความที่จะสงบจากเครื่องปรุงแต่งต่างๆแล้วก็ควรจะตั้งไว้ในธรรมตรงนีนะ้ปัญญาคืออะไรสัจจะเป็นยังไงนะจาร่าเป็นยังไงความสงบระ ง, งับเป็นยังไงก็อธิบายเอาไว้ในภุคุสติฟัง่พนะระภุคุาติฟังตรงนี้ก็ทราบทีเดียวว่านี่แน่นอนสัมมาสัมพุทธะเราอยู่ต่อนหน้าก็ไม่รู้ และแน่นอนที่ว่าตรงนั้นบุรุทธเจ้าก็คงจะแสดงฤทธิ์เห็นปรากฏถึงรัศมีนที่จะเปล่งออกจากร่างกายของพรุทธเจ้านความสามารถพิเศษต่งางๆเหล่านี้สมมาสมุทธธัจะมีล่ะแต่พอไอ้เกตดการเป็นอย่างนี้แล้วก็เลยอันใดจะขอบวชกับพรุทธเจ้าแต่แต่ว่าบาดจีวรไม่มีเราก็ต้องไปหาบาดจีวรก่อนทาไมบาดจีวรไม่ปรากฏขึ้นเลยเหมือนพระสงฆ์รู ป, ปอื่นนะที่ขอบวชปุ๊บ ก, ก็มีบาทมีจีวรเลยนะครับอธิบายตรงนี้ท่านก็มีว่าเพราะว่าท่าน พระปุกุศลติเนี่ยไม่ได้เคยทําบุญเรื่องนี้เอาไว้ไม่ได้เคยถวายบายไม่ได้เคยถวายจีวนกับพระแต่พอถึงเวลาที่ตัวเองจะบวชก็ไม่ได้มีสิ่งเหล่านี้อุบัติขึ้นอย่างไรก็ตามเนื้อหาที่มาในพระสูตรนี้ก็มีความน่าสนใจมากท่านผู้ฟังนอกจากเรื่องของตัวท่านพระปุกุสาติอย่างที่เราให้ฟังแล้วเนื้อหาที่พระพุทธเจ้าเทศน์สอนท่านในวันนั้นก็มีความลึกซึง้งตามชื่อของพระสูตรเลยท่านผู้ฟัง คือการแยกแยะแจกแจงธาตุทั้งหลายวิภาคเนี่ยวิพังคะเนี่ยคือหมายถึงการแยกแยะออกวิภาคออกอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยที่พระนามว่าพระผู้มีพระภาคเนี่ยก็คือเป็นผู้จําแนกแจกตำอันนี้อันหนึ่งจะแจกอะไรก็คือแจกเรื่องของธาตุต่างๆ่าพระพุทธเจ้าเริ่มเทศให้ท่านพระปกกุศลติเนี่ยเรื่องของธาตุทั้ง6กนั่นก็คือธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟอากาศธาตุ แล้วก็วิญญาณตาเราจะต้องเข้าใจธาตุทั้ง6อย่างนี้แล้วก็มีสัมผัส6อย่างความน่วงนึกของใจ18อย่างธรรมะที่ควรตั้งไว้ในใจ4อย่างอันนี้คือหัวข้อนะพระพุทธเจ้ายกหัวข้อแล้วว่าอ่ะปุกุสติวันนี้ฉันจะเทศน์นี้ให้เธอฟังนะคือธาตุสัมผัส6ความน่วงนึกของใจ18ธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจ4 อันนี้คือทั้งหมด4หัวข้อนี้แต่ละอย่างเป็นยังไงพุนะรูปฌกเจาะลงไปาธาตุหอย่างก็คือดินน้ําไฟลมอากาศาธาตุวิญญาณธาตุอันนี้คิดว่าเราคงจะเคยได้ยินกันอยู่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมส่วนอากาศธาตุ น, น, น, นั้นก็คือช่องว่างนั่นเองช่องว่างนี้ก็คือหมายถึงช่องว่างในร่างกายของเรานะ่ยที่พอธาตุสี่มันประกอบกันขึ้นแล้วมันไม่ได้มีเลือดหรือว่าเนื้อบรรจุอยู่ในนั้น เช่นช่องท้องช่องในปอดอย่างนี้หรือช่องว่างที่อากาศมันเคลื่อนไปอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอากาศธาตุมีอยู่ในกายของเราเราวิญญาณธาตุวิญญาณธาตุก็คือความรับรู้นั่นเองรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจซึ่งในธาตุทั้ง6อย่างเนี่ยพระบรุตรชาบอกว่าให้พิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นสิ่งที่เป็นอนัตตา พอเราพิจารณาเห็นด้วยความเป็นอนัตตาแล้วก็จะทําให้เกิดความนายกลายกําหนัดในธาตุต่างๆทั้ง6อย่างนี้ได้มีอันหนึ่งที่เป็นอุปมาอุปไมยที่น่าสนใจในประสูตรนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับเวลาที่ไม้สองอันมันเสียดสีกันแล้วก็เกิดความร้อนขึ้นอย่างเวลาสมัยก่อนเนี่ท่านบวชฟังเคยจะสังเกต ด, ดูเห็นว่ามันจะมีการใช้ไม้สองอันมาเสียดสีกัน เพื่อจะให้เกิดไฟเกิดขึ้นถ้าบอกว่ามันไม่สีกันมันแยกกันไปแไฟมันก็ก็ดับไปมันก็ไม่เกิดความร้อนขึ้นเช่นเดียวกันถ้าบอกว่าเราไม่มีผัสสะถ้าไม่มีผัสสะก็ไม่มีเวทนาเวทนาที่มันจะทําให้เราไปสุขไปทุกข์มันก็จะมีหมือนก็จะดับไปอีกวิามาว่าไหนึ่งก็เกิดเปรียบเหมือนกับนายช่างทองที่เขาจะใช้ไฟเนี่ยเพื่อจะเผาทอง แต่คือเขาต้องเอาทองนไปใส่ในเบ้าแล้วก็เอาไฟในจ่อเข้ากับเบ้าเราให้ความร้อนมันเกิดขึ้นเพื่อีจะหลอมทองที่อยู่ในเบ้านั้นให้ไล่เศษที่มันจะเป็นสารประกอบที่ไม่ใช่ทองคําบริสุทธิ์หรือว่ารถฝาดในทองคำเนี่ยออกไปกรรพธรรมเสร็จแล้วทองนั้นก็จะดีขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นเช่นเดียวกันถ้าบอกว่าเรามีความเข้าใจในเรื่องของปัญญาในเรื่องของเวทนาอย่างดีแล้วเนี่ย พิจนาอะไรต่างๆที่มันจะเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขมันจะดับไปเหลืออะไรเหลืออุเบกขานี้อุเบกขาเนี่แหละที่พระเบชาเปรียบเหมือนกับทองคําที่บริสุทธิ์ในอุเบกขาอันบริสุทธิ์ผุดพองก็เกิดมีขึ้นก็จะทําสมาธิให้สูงขึ้นไปได้ในขั้นนี้ก็พูดขึ้นไปถึงขั้นของอรูปสัญญาสมาบัติง่ายๆคืออรูปฌานนั่นเองนจากอุเบกขาขึ้นไปสูงขึ้น แในที่นี้พระพุทธเจ้าก็ยังแยกแยะแจกแจงถึงธรรมะที่ควรตั้งไว้ในใจ4อย่างธรรมะที่ควรตั้งไว้ในใจ4อย่างนั้นก็คือความที่เป็นความที่ไม่เป็นความที่จะเป็นความที่จะไม่เป็นสี่อย่างนี้ในอะไรบ้างในตัวันเองในรูปในสัญญาและความที่มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ในซึ่ง นี่ก็คือความเป็นตัวตนนั่นเองอ่ะพูดง่ายๆในสีอย่างซึ่งถ้าคนที่ตั้งใจไว้ในทำสี่อย่างนี้แล้วก็จะเกิดความไม่สำคัญมั่นหมายในตัวตนคือละความเป็นตัวตนละความเป็นอัตตาเข้าใจถึงความเป็นอนัตตาได้พอพระพุทธเจ้าเทศตรงนี้จบท่านปุกุสาตินี่ก็ทราบแล้วโอ๊ยนี่พระพุทธเจ้ามาอยู่ต่อนหน้าแล้วเราก็ไม่รู้ตัวเลยแล้วก็เลย ขอกขมากราบซพลงที่พระบาทของพระพุทธเจ้าขอกขมาท่านแล้วก็ทูลขอบวชทูลขอบวชแล้วแต่ว่าอย่างที่ว่าบาดจีวรไม่มีก็เลยไปหาบาดหัจีวรซึ่งการไปสแสวงหาบาดและจีวรของท่านนั้นก็ไม่ได้ไปเที่ยวซื้อหาตามร้านตลาดนะเพราะว่ากลัวว่าจะมีคนรู้จักหรือจําได้ด้วยความที่ตัวเองสละแล้ ว, ลวก็เลยไปหาตามกองขยะ ซึ่งมันจะเป็นเศษมีเสียอะไรพอที่จะเอามาเป็นบาทเป็นผ้าที่เขาทิ้งแล้วก็ไปหาเจ้านั้นประกฏว่าในขณะที่ไปหาเนี่ยถูกแม่วัวกระทิงหนักลิตตายแต่เช่นงนี้เขาก็มีเรื่องที่อธิบายกันแหะว่ามีภิกิุที่ร่วมรำสมณธรรมกันในสมัยก่อนๆในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเนี่ยมีคำร่วมกันมาแลบางรูปก็มาเกิดเป็นกรรษัตริย์บางรูปก็ไปเกิดเป็นบริพาชค บางรูปมาอยู่ในขระดาบดีปุกุษาตีนี้ก็เป็นหนึ่งในหลายๆรูปนั้นแต่ซึ่งเขาก็มีกรรมกันมาทําให้นางวัวกระทิงตัวนี้ซึ่งเป็นตัวเดียวกันกันกบที่เคยกิดพระหลายๆรูปตายในสมัยพุทธกาล น, นี่เป็นเรื่องที่มาในธรรมบทที่เขาจะอธิบายเอาไว้อย่างไรก็ตามท่านผู้ฟังเนื้อหาใน ท, ที่นี้ก็มีความน่าสนใจคิดวา่าเราฟังส่วนที่เป็นพุทธพจน์เนี่ยก็สามารถเข้าใจได้ไม่ยากท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะไปหาฟังหาอ่านกันได้ ไปที่เว็บไซต์เพียวธรรมะนั้นท่านผู้ฟังก็จะได้อ่านตัวพระสูตรนี้ด้วยเหมือนกันแต่ไม่ยากเกินไปที่จะทําความเข้าใจอย่างไรก็ตามถ้าท่านผู้ฟังยังมีข้อสงสัยหรือว่าก็จะสอบถามใดๆสามารถติดตอ่อกันมาได้โดยส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเขียนไปจดหมา ย, ย, าา ห, ายหรือว่าไปสื่อบัตรเลขที่1หมู่8ตําำบลดอนหายโศกอาเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์สี่หนหรือว่า เกียนเป็นข้อความก็ได้ไปที่เว็บไซต์ pealthma.com puredhaema.com วันนี้เวลาหมดแล้วทำฟังการประชาระมมหาภัยบุญอาภีปุณโญจเรียนปาน